สัง่งอขี้ขอนําถ้าไม่รู้ไม่ขี้ก็เมื่อดปอด <c oughs> ถ้ารู้แล้วไม่ขี้ก็ไม่มีประโยชน์ทั้งรู้ทั้งขี้ตกต้องถ้าไม่รู้ไปขี้มันก็ผิดได้ โดยพอการปฏิบัติธรรมเน่มันเป็นการพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นจิตที่พบเห็นเป็นของกงริงจิตที่คิดเห็นอาจจะไม่จริงเสมอไปการปฏิบัติธรรมการศึกษาชีวิตของเราล้วน เอากายมาเป็นตำลาเอาใจมาเป็นตำลามนีสติเป็นการศึกษาให้เห็นอาจจะแสดงออกกายเป็นโสดใจเป็นโสดด่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายต่างอย่างเป็นอาการ ทีเกิดขึ้น เ, เช่นควองร้อนร้ากายถูกแสงแดดเป็นอาการที่เกิดความร้อนเป็นอาการไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์ตั้งกายถูกกรองขนคือมันหนาวคืออาการของกายไม่ใช่ออกมาเป็นสุขเป็นทุกข์ ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นจะเป็นสุขเป็นทุกข์กายเป็นเวทนาย้ายถึงกับสุขกับทุกข์ให้เป็นอาการเท่านั้นของจริงเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนั้นถ้ามาเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะอาการมันเป็นตัวเป็นตนอีกชั้นหนึ่งนั้นพรพุทธเจ้า ตัดสอนไว้กายสว่ากายอย่าเอามาเป็นตัวเป็นตนอันจิิงที่เกิดขึ้นกับกายนั้นเหมือนกายในกายนี่ก็มาฐานให้ศึกษาแบบนี้กันเวลาเรามาดูสูตรมันจะแสดงออกมาให้เราเห็นว่าเราทำ เราทำเราขยิาให้มันเกิดอะไรขึ้นมามีสติเข้าไปดูมีสติเข้าไปรูปไปเห็นมันก็แสดงให้เราเห็นเห็นกายที่มันแสดงแล้วก็เห็นอย่าเป็นไปกับอาการที่มันเกิดขึ้น ใจมันแสดงมันสุขมันทุกข์มันโกรธมันโลภมันหลงนั่นเป็นอาการของใจนั่โกรธนันโลภนั่นหลงไม่ใช่ตัวใช่ตนอย่าไปเอามาเป็นตัวเป็นตนกูโกรธกูทุกข์กูพอใจกูไม่พอใจก็โกรธเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับจิตใจ คอามพอใจก็ไม่พอใจเปรียการของใ จ, ใจไม่ใช่ใจจิต ใ, <น>ใจไม่เป็นอะไรเมื่อมันมีอะไรสัมผัสก็ก่อเพื่อมเป็นธรรมดาเหมือนน้าเวลาไม่มีอะไรสัมผัสก็นิ่งถ้าเที่งก้อนขวดก้อนดินลงไปก็ก่อเพื่มอมเกินรเพื่อมของน้ํา เปนอาการไม่ใช่น้ํามันคลื่นไม่ใช่น้ําน้ำไม่ใช่คลื่นความโกรธไม่ใช่ใจอย่าเอามันเป็นตัวเป็นตนที่วเห็นจิตสักว่าจิตจิตนันมีอาการต่างๆแน่นอนที่สุดแต่ก่อนเอาอาการของจิตมาเป็นตัวเป็นตน กูโกรธกูไม่กละ ก, กูชังกูพอใจกูไม่พอใจแม่บัญญัติเข้าไปมีสมมุติเข้าไปมีอุปทานเข้าไปในกิตที่มันเกิดขึ้นมันเกิดที่จิตเป็นภพเป็นชาติเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์โลกเป็นรสฉานได้ไม่ภพชาติของของจิต เราจะมาเห็นตามความเป็นจริงขี้ขาดแต่เลยกิจสวากิจไม่ใช่จตุคุณตัวตนหลาเขาไม่เห็นอย่างนี้เรียกว่าวิชากรรมฐานวิชาปฏิบัติถ้ามีสติมันจะเห็นไม่เป็นนั้นกลับมันหลงไม่หลงมันโศกไม่โศกมันทุกข์ไม่ทุกข์ มันโกรธไม่โกรธมันพอใจมันไม่พอใจมันตัดมันกลับความพอใจก็มีความไม่พอใจความหลงก็มีความไม่หลงความโศกก็มีความไม่โศกความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์อะไรทีเกิดขึ้นกับใจมันคนลมุมตรงกันข้ามอันหลงไม่หลงก็อยู่ที่ใจแต่ว่าปฏิบัติ ถ้าหลงเป็นหลงไม่ได้ปฏิบัติปล่อยตามปล่อยทอดทุละไม่ศึกษาไม่แจ้ไขไม่พัฒนาไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็มกหมกงมงไปกันใหญ่พวกคุณไปใหญ่เป็นอวิชชาไปเปตัณหาไปเป็นอุปทานไปเป็นพพเป็นชาติไป ถ้าเรามาเห็นแล้วก็หยุดสติมันจะเป็นสิ่งคุ้มบัเกิดของพพของชนาัตที่เกิดกับกายกับใจมันจะหยุดถ้ามาให้มันหยุดไม่แต่วิ่งมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เหมือนรถเมื่อมันวิ่งมันต้องหยุดเป็น ถ้ามันหยุดไม่เป็นมันก็ไม่ใช่โลสมันใช่ไม่ได้ถ้าโกรธเป็นโกรธมันใช่ไม่ได้สุขเป็นสุขมันใช่ไม่ได้ทุกข์เป็นทุกข์มันใช่ไม่ได้มันไม่ใช่ตัวใช่ตนในขวงมสุขในขวงทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมันไม่ใช่ตัวใช่ตนมันเป็นก็ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นตัวไม่ใช่ตนเอาเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ ไายืดไปไม่ได้เพียงเดียดเรียกว่าปฏิบัติถ้าเรามาศึกษาไร้่นีไปเขียนแั้นก็ใช่ได้มันได้ชีวิตเอากายเอาใจมาเป็นสิ่งสาต่อชีวิตก็ต่อโยอดนี่ว่าลูกทำนามทำนี่มาต่อโยอเอาประโยชน์จากมัน ถ้ามันมีรูปมีรา่างไม่มาศึกษามันก็เกิดเจ็บยาตายไม่มีประโยชน์นี่จะมีทุกข์มีโทษเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายทิ้งไปเปล่าๆก็จะเป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์เก่เป็นทุกข์เก็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ถ้าไม่รู้ถ้าไม่รู้แจ้ง ตติจะรู้แจ้งเห็นแจ้งเห็นจริงการเห็นแจ้งเห็นจริ ง, ง, ง, งในกายในใจหรือว่าวิปัสสนาได้คำตอบมันจึงเป็นหน้าที่ของเรา ปฏิเสธไม่ได้โทษทิ้งมาได้ปล่อยทิ้งไว้ม่ได้ถ้าเราศึกษาลู่แจ้งเรื่องการเรื่องใจเรื่องชีวิตจริงๆแล้วมันก็ใช่ได้เป็นมาเป็นผลได้ได้ประโยชน์แม่ลองรู้แล้วก็บอกคนอื่นได้ประโยชน์อีก ได้หลักชีวิตอีกมีประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่นจริงนวัตถุอื่ น, นไปถ้าเราไม่ศึกษาก็มีทุกข์มีโทษต่อตัวเองและเชิงอื่นวัตถุอื่นแล้วก็มีเห็นอยู่จะมีตัวบทกฎหมายมีรัฐธรรมนูญมีกองทัพ มีคุก ม, มีตารางเพราะคนไม่ศึกษาถ้าเราศึกษามันก็จบแต่คนก็ดูแลตัวเองให้ดีเรียกว่าปฏิบัติธรรมมันริงสัจจะหมด้็เย็นถึงปาใช่กันได้ต้องตั้งต้นจากตัวเราก่อนนับหนึ่งจากตัวเรานี้ก่อนมันอันเดียวกันหมด ความหลงก็แบบเดียวกันความโกรธก็แบบเดียวกันความสุขความทุกข์อันเดียวกันเจี่ยวันหาเดียวกันตาอย่าเดียวกันศึกษาอย่างเดียวกันไม่ใช่คนละอย่างของจริงต้องเป็นอย่างเดียวกันของไม่จริงเป็คนละอย่างจริงแบบปรมาจิไม่ใช่จริงแบบสมมุติ ยิงแบบยิงแบบปรมารจิตจะความหลงไม่จริงความไม่หลงมันจริงเป็นทางเดียวกันความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์มันเป็นจริงเป็นอย่างเดียวกันมีของจริงอยู่แต่ไม่ค่อยใช่กันมักใช่ของไม่จริงจึงมีปัญหา พอใจในความพอใจที่เราบัญญัติเอามันไม่จริ่ยงในของในสิ่งที่เราพอใจกับไม่พอใจก็มีเหมือนกันคนที่เรารักลกลายเป็นคนที่เราเกลียดก็มีคนที่เรารักเคมีโศกกลายเป็นคนที่ทําให้เรามีทุกข์ก็มีมันสมมุตบัญญัติรักแบบสมมุติ มันญัตไอใช่ลักษณ บ, บปรมตจิัจะลักษณ บ, บปรมตจิัจะเหมือนพระุทธเจ้าเป็นยอดนักลักที่สูตรในโลกพระอรหันต์เป็นยอดนักลักที่สูดในโลกมันเป็นปรมาตาจิงมา เจ็ดสากันเราก็เคยมีเคยเป็นมาแล้วเคยร้องไห้เคยเสียใจยเคยรักเคยเกลียดเคยชังเคยสุกเคยทุกข์มันจียงไหน ม, มันอยู่ที่ไหนสศกทุกข์มันอยู่ที่ไหนมันจะเป็นสมมติเหญนยดมันไม่มีจริงจมันมีจริงๆรคือมันเหนือสุกเหนือทุกข์คือมันไม่เป็นอะไร นี่คือชีวิตนี่จะเห็นมัน เ, นเป็นเดกการราันลาดประกาศควา ม, มเอกกันลาดของชีวิตในความหลงไม่ความไม่หล ง, ลงไม่เป็นผู้หล ง, ลงเป็นเดกการราันลาดในความทุ ก, ทกเห็นมันทุกไม่มีผู้ทุก เป็นเดกกัลาดมันเป็นเอกลาดได้เพราะมันมีการไม่เป็นธรรมมีสิ่งเปรียบเทียบกองหลงกับคมงไ้หลงเป็นสิ่งเปรียบเทียบเราเห็นแก้งว่าหลงไปยังไงไม่หลงไปยังไงให้ส้มผัสเอาจวมาสร้างจะมาประกอบเรียกวิชากรรมฐาน มาประกอบมาสัมผัสไม่ต้องถามาใครเวลาเราประกอบแล้วก็มีจริงมีรูปตั้งพบเห็นทั้งคิดเห็นเมื่อเราเอามือวางไว้บนเขาก็ก็รู้เห็นไม่ใช่คิดเห็นรู้เห็นตั้งพบเห็น คมจริงไม่ต้องมีคำถามใครเมื่อเราอยู่ที่ไหนเรายกขึ้นเราก็เห็นพบเห็นไม่ต้องมีถามถาเวลามันหลงก็ไม่ต้องถามใครเราก็ไม่หลงก็ทำเอาเองเปลี่ยนหลงไปไม่หลงเอาเองเปลี่ยนหลงไปไม่หลง ที่แรกอาจจะหลงง่ายก็เหมือนเคยชินนาหัรใหม่ๆก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เปลี่ยนหลงเป็นรู้ถ้าไม่หลงก็รู้ไยรู้ไ ป, ไปความหลงก็ยังลากลึกหลงไปงอกงามลงไปต่อไปก็ง่ายเแค่ไมห่หลงมีภาวะที่รู้เป็นเจ้าของเป็นผู้ดู ภาวะที่ลู่จะเป็นผู้ดูผู้เห็นถ้าเข้าถึงภาวะที่ดูแล้วจะสะดวกจะไม่เห็นเนี่ยมันจะไม่ไ ม, ไม่รู้จักดูถ้าเห็นแล้วดูออกถ้าไม่เห็นดูไม่ออกมันมาให้เห็นโองหลงมาหเห็นดูออกไ ม, ไม่จริง อม่ใช่คิดเห็นเราจะมาศึกษาแบบนี้เรียกว่าวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่จกักด์สิทธิ์เปลี่ยนลายเป็นดีได้เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ได้ไม่มีวิชาไหนที่เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธเอาเงินเอาทองเท่าไหร่ก็มา เปลี่ยนไม่ได้ความทุกข์ความโกรธในชีวิตเราเนี่ยซ <c oughs> ื้อเอาก็ไม่ได้ซื้อเอาความไม่เป็นอะไรไม่ได้ไมิแต่ชื่ อ, อความเป็นอยากเป็นจุก็ซื่อเอาตามสมมติบัญญัติอยากหลงก็ซื่อเอาตามสมมติบัญญัติซื้อเล่าซื้อบุรีซื่อกัญชามาสูกมาเกณฑก็หลงได้ไม่อาย บางทีก็ชอบหลงชอบอประมาทถ้าเราไม่หัดหนัดควมหลงก็ชอบถ้าได้หลงล้วก็นอนก็ไปหลับไหลอ ย, อยู่ฉชนนั้นเราเคยหลงมามากหลายชั่วโมง ลงในความคิดหลงจนถึงน้าตาหลจนถึงโกรธถึงจนถึงรักจนถึงถงเกียดชังเป็นทุกข์ในความหลงเป็นสุขในความหลงเป็นความโกรธในความหลงเป็นความโลภในความห ล, ล, ลงไปไกลหลงมันไปไกล อลูกมันหยุดง่าไปที่ไหนมันหยุดมันจึงศักดิตสิทธแบบนี้กรรมฐานเป็นวิชาศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ไม่มีใครเอาให้การแทนกันได้จึงทำเองมีวิธีฝึกหัดก็มีแล้วตามแบบพระพุทธเจ้าจองสังสนอนว้ย เป็นจริงตลอดเวลาจะเติมก็ไม่ได้จะตัดก็ไม่ได้ตัดไว้ดีจริงๆพราะทำคำสอนเป็นสูตรกายสวกาคไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาไม่มีใครแย่งได้เป็นวิทยาศาสตร์ที่สาเร็จกว่าวิทยาศาสตร์ใดๆในโลกนี้วิศาต่านเดินต้องศึกษาต้องเรียนรู้เรื่อยๆไป แต่ศาสตร์แหงความเป็นพุทธะเน่ยไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเติมตัดไปสําเร็จเฉจชิ้นมาได้เลยอัชื่อว่าหลงชื่อว่าไม่หลงอัชื่อว่าทุกข์ชื่อว่าไม่ทุกข์ากายสภาวไม่ใช่จัตตุบุคคลตัวตนเราเขา เวทานาสตรก็เวทานาอันโศกอนทุกข์นั้นน่ะไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขามันไม่มีจริงๆแต่เอาไปยืดไหวเป็นอุปทานยึดว่าเราโศกเราทุกข์แต่มบัญญัติต่างกันบางคนทุกข์ในความบัญญตัติแต่บางคนไม่มีบัญญัติแบบนั้นเลยไม่ต้องทุกข์ บางคนุกในสมมติบนหยัญญติบางคนไม่มีบรญญตัติแบ บ, บนั้นก็เลยไม่มีความสุกมันไม่ใช่เป็นสัจจะมันเป็นสมมุติ <c oughs> ต่างกันในโลกในจึงแย่งกันกจึงทะเลาะกันเพราะสมมุติบัญยัติเป็นฉกเป็นทุกข์เป็ น, ปนสมมุญญติันหยัติเป็นตัวเป็นตน ไม่ใช่ปรมาจัปรมาจักรมัเหนือกว่านั้นความโกรธเป็นสมมติบัญญัติก็ไม่โกรธเป็นปรมตาจักรความหลงเป็นสมมติบัญญัติก็ไม่หลงเป็นปรมตาจักรอันไม่หลงเหมือนกันแต่หลงต่างกันเพราะสมมติเอาความโกรธก็ต่างกันเพราะขอสมมติเอา ไม่น่าจะโกรธโตโกรธนิดนิดหน่อยหน่อยก็โกรธแค่นี้หรือแค่นี้แหละเป็นเรื่องใหญ่ไม่ขีดคาดเดียวไม่เมืองทั้งเมืองได้เขาความโกรธทำลอยตัวเองก็ได้ทำลายคนก็ได้ให้ความโกรธผาแสดงออกรับใช้ความโกรธ เมื่อความโกรธเกิดขึ้นรับใช้ความโกรธเมื่อความล้อเกิดขึ้นรับใช้ความลั ก, ลกเมื่ อ, อความพอใจเกิดขึ้นรับใช้ความพอใจเมื่อความไม่พอใจเกิดขึ้นรับใช้ความเมื่อความพอใจมันก็ไม่จริงเราผ่านมาเท่าไหร่ ทำไมต้องให้หลอกอยู่เช่นนั้นดีกว่านั้นไม่ไปเหลือชีวิตเราจะแสวงหาทังหน่อยไม่บหนกันหมดมีพระทธเจ้าเป็นผู้เสาะหาค้นพบเรื่องนี้ก่อนใครในโลกเรียว่าตัดจะรู้เรื่องนี้เก่งๆแล้วก็มีผู้รู้ตาม จะมาเถึงพวกเราตังไหมยังมีผู้ลูกอยู่อย่านืกว่าเหมือนกันหมดนะสิ่งที่เราหลงคนอื่นไม่หลงนะสิ่งที่เราโกรธคนน้อยโกรธนะสิ่งที่เราทุกคนอื่นไม่ทุกนะเราล่าสมัยนะถ้าเราหลง อ, อยังล่าสมัยนะถ้าหลังโกรธอยู่ก็ถือว่าล่าสมัยนะ ถ้ายังทุกข์อยู่ถือวลาสมัยนะเขาไปกันไก่แล้วนะไนะเยอเนี่เวลาโกรธไม่อยด่ากันได้หน้าบูดหน้าเบิง่งใส่กันแสแดงออกให้กันเห็นเขาไปกันแล้วเรายังมางูหลงอมายทำไม เ, เอาเฉยมาเอาดุ่ดวนสักหน่อยเกลียดดว่วนชาวตอ่อย่าประมาทในความหลงในความหลงประมาทแตมันไม่ได้เมื่อหลงไปกว่าก็มากขึ้นมากขนมากความชั่วนิดหน่อยก็อย่าไปทําอย่าไปคิดพร้อมดีนิดหน่อยให้ทําไป มีประโยชน์่วมาสร้างสตินะากยกเหมือเคลื่อนไหวลูกสิีจังหวะนับถึงบาเงินบาทก็รับเ ก, กินล้อยเงินเหมือนเงินแสนนับจากบาทเดียวไปปาวิตาพาวีกัตาขยันลูกแล้วก็ทำได้เนี่ยไนดะ้ไม่ใช่ไม่ได้นะทำมาเดื่นไม่ได้แบบนี้นะ ทำอะไรก็ไปทันใจมือนอย่างเป็นปัด จ, จัดตังนะรู้ว่าไม่หลอกถา้ามันรู้อยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงพิสูจน์คนดูหนึ่งวันเจ็ดวันจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งเดือนเจ็ดเตือนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีที่อยู่มาอยู่ที่นี่ไม่ต้องทําอะไร น้าทำเราเนี่ยมาทํากรรมฐานเนี่ยในชาตินม่องหรือซื่อมีใครเชื่อจะต้องพิสูจน์เราเี่ยจริงจงเข้มแข็งเหมือนพระเจ้าบ้างไม่ได้เลยเราจะนั่งอยู่เนี่ยได้ไม่ลูกอะไรจะไม่ลุกมันละ่ะตายเป็นตายก็โดกเลื่อนเงอะเงอะเอ็นกระจูปังกระก็ตามจะไม่หนีไปไหน ภาษาต้นโผ่เฉยๆยังตัดเฉงใจขนาดนั้นนะอันนี้มีศสลามีกติมีข้าวให้กินมีอะไรให้ใช่ายนะวันนี้ที่ไหนในโลกเนี่ยมีเนี่ยมีมรุลพุคตเจ้าพระพุเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์มีพุทธบริษัทอุ่นใจ ดังอัปพจิตตธทนโพอลดาก็ไปเห็นทนโพนั่นยังสละชีวิตจะอยู่ที่านั้นจะไม่ลูกไปไหนถ้าไม่ลูกเรื่องนี้เข้าไว้เมื่อใจมันเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมันก็มีพลังอันนี้เราทําะไรเหาะเหาะแยะแยะทำเล่นๆไปลองดูลองดูก่อนก็พอใจก็จะเอาไม่พอใจก็อยหนีไป อีกน่อยเกิดจับกระเป๋ า, ป า, ปากับบานไปแล้วไม่ออกไม่ออกแวสู้สุดหน่อยายความคิดมันใหญ่เกินไปให้กายมันใหญ่ให้สติเป็นใหญ่ถ้ากายถ้าใจเป็นใหญ่มันเจ็เจ็บตายถ้าสติเป็นใหญ่มันไม่เจ็ไม่เจ็บไม่ตายในชีวิตเราเนี่ยเลยเป็นใหญ่อะไรไม่เป็นใหญ่มีอำนาจ ตัวคิดคิดขึ้นมาก็หอบผิวไปแล้วเป็นสุขเป็นทุกข์ความคิดเหลือแค่นั้นเลยชีวิตเราเปราะบางแค่นั้นเลยเป็นสุขเป็นทุกข์ความคิดเป็นสุขเป็นทุกข์กายเป็นสุขเป็นทุกข์ใจนา่นไม่ใช่แล้วมันมีอันที่สูงกว่านั่นอยู่มีสูงกว่านั่นอยู่ เผชิญกว่านั้นมีนะไม่ต้องสุขทงทุกข์เพราะกายเพราะใจให้มันเป็นอันอื่นถ้าเอาอาใส่กายใส่ใจมันตายมันเก็บมันแกเราต้องแกแน่นอนเราต้องเก็บแน่นอ น, ต, อ น, น, อนต้องตายแน่นอนจะทำยังไงให้กายให้ใจพาแกพาเก็บพาตายมันอาใสได้ไหม มันอะไรน่ยมันดีกว่านี่นะจึงมามีสติเห็นมันไม่เห็นมันเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนมันจะผิดเลยน่ยถ้าไปเสียใจนี้ก็เท่ากับไปเสียตัวเองแล้วไปเสียตัวเองมีสติเห็นกา ย, ยเห็นใจเห็นธรรมเห็นความคิดเนามีเท่าเนี้มันจะหลงอยู่เป็นด่านเนี่ย แบกสัหน่อยไม่ได้เลยอะไรที่มันหลงกับใครไม่หลงไม่ได้เลยอะไรที่มันหลงกับสุขบทุกข์ไม่หลงมาได้เลยอะไรที่มันหลงกับกิจที่มันคิดไม่หลงไม่ได้เลยอะไรที่มันหลงกับธรรมที่มันเป็นสิ่งข้อง่ำหวโมงหงอหอมหนองควงพกุคิดฟุ้งซ่านควงเลยสงสัยกามลคะปฎิฆะมันหลงกับธรรมพ้นไปสักหน่อยไม่ได้เลย มันขี่ช่างขี่ม้ามาเลยมันไม่มีมีดาบเลยมันมีอะไรมาเลยมันเกิดจากกายจากใจดื้อดื้หน่อน่อยทไมมันจึงยอมแพ้เมัอนขนาดนั้นชีวิตเราประเสริฐตรงไหนมนุษย์ประเสริฐตรงไหนแพ้เลยเรื่องกายก็แพ้แล้วเรื่องความคิดก็แพ้แล้ว กูชอบกูไม่ชอบกูพอใจกูไม่พอใจมีใจก็ไม่มั่นใจตัวเองพึ่งใจก็มาได้บางทีเอาใจมาลงโทษตัวเองโดยชั่งไปมีใจก็พึ่งใจมาได้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่มั่นใจตัวเองแต่กูได้โกรธก็มาเหมือนไม่เหมือ น, น, น, อนคนนะีนแล้ว บอกบางทีก็ประกาศเลยมึงไม่ดูจะ ก, กูัวนะมึงรู้จะกลัร้อยกันไปนะถ้ากลัได้โกรธไม่เหมือนคนนี้นะกลัวเลไอุ้ยอย่าไปใกล้มันไอคนใต้ถ้ามันโกรธแล้วมันฆ่าคนได้จู้อย่างนี้อ่ะพึ่งก็มาได้บางทีผัวเมียพึ่งกันมายัยางได้ยินหนาะว ผัวผู้เมียโออยู่ไปงั้นแหละไม่รู้จะอยู่ได้ไปถึงวันไหนถ้าจะหนีก็หนีไปได้วงลกูกเขาอยู่ไปงั้นแหละไม่รู้จะเป็นจะตายวันไหนบางทีก็มีอย่างนั้นนะแค่นั้นเลยชีวิตเรา ก็เมข่าวกินเล่ามอจา่ากินเล่ามาก็มาฆ่าเมียตีเมียก็เมียฆ่าผัวผู้ผัวฆ่าเมียพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อพี่น้องฆ่ากันคนในโลกฆ่ากันเพราะความคิดเพราะความโกรธออกจะล้อยเปอร์เซ็นภาษาขวาโกรธความหลงเฉยๆนะ่ะทำไมจึงเป็นนบานั้นน่าเสียดาย ้เราก็เสียเปรียบความโกรธความทุกข์มาเหมือนกันหมดทำไมจังไม่ยอมเสียเปียบมันชนะชนะหน่อยเลยเห็นอย่าเป็ น, เ, ปนเห็นบรหลงไม่เป็นผู้หลงพ้นจากความหลงแค่นี้นะเ อ, นอเอาหนามยอกเอาหนาม่งเหตุกาเกิดที่ใดดับที่นั่นแค่เท่านั้น เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากควทุกข์ทำอย่างนี้เห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธพ้นจากควโกรธทำแช่เนี่ยนั่งอยู่อย่างนี้ก็ได้เทียนแต่หายใจมีสติกับลมหายใจเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธพ้นจากควโกรธแช่ลัดนี่มือเดียวไม่นานหัดอย่างนี้ แกมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากความทุกข์แกมันเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาไม่ใช่เป็นผู้มีกิเลสตัณหาพ้นจากมันไมีแต่เห็นให้ไปทางนี้ดเดินถั ด, ดเดินฉันฉีดเส้นฉีดทางไว้เมื่อมันหลงไม่หลงก็ได้เมื่อมันทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้ เมื่อมันโกรธไ ม, โมโ่โกรธก็ได้หัดอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าได้เงื่อนไหลเงื่อนไม่ออกทำความเิียรให้ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเริ่มต้นด้วยความสติปัญญาปัญญาข่าจติก็เขเฉกโกนะสะติกับปัญญาต้องคู่กัน หัดตนสอนตนฝึกตนถ้าไม่ฝึกมันไม่เป็นจริงไหนไม่หัดมันก็ไม่เป็นเมื่อไม่เป็นใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้ที่พิจตก็ใช่ไม่ได้ข่มร้ยายข่มดีโอภูแฝดแฝดตางขึ้นเมื่อฝันกลางวันว่ายคิดกลางคืนเวีนขวนันกลางวันเป็นเตล มันอยู่กันยังไงน่าจะกระดือโลด น, น่าจะเแย่งหูวปังน่าจะใส่ใจอยากจะประกาศเอกราชในชีวิตอ้าในโลกนี่เราไม่เป็นไรกับไรไมาขึ้นดออะไรเราเป็นเอกราชแน่นอนชีวิตเราอิสระภาพนะเป็นธรรมมาทิปไตยชิตที่ แกว่าพิภาคษาโลกที่มีอยู่ในชีวิตเรานะั้นจนพ้นไม่มีไปเรียกว่าอาเยอะบุคคลอาเรียเจ้าไม่มีไปในชีวิตอกีกจบมีแต่ชีวิตต้นรวนไปแก่ของสอนละเกียงเลี้ยงคนทั้งโลกมันยิ่งใหญ่นั้นชีวิต่นะถ้าเราไม่มีศึกษาแล้วก็ เป็นทุกข์เป็นโทษโลกก็ร้อนเพิ่มขึ้นปีมือของคนปีนี้สุกโตจะเดินธรรมะยอด ต, ตาแปดสิบกว่าม a โดยบนหลังเขาปีนีน้จะเดินตามไหลเขาท้งล่างจากช่อละกาถึงบ้าน่าทองแปดสิบกว่ามอ <c oughs> <c oughs> นะเดินตามไหลเขาลอบภูเขาโลกร้อนทำให้โลกเย็นให้มันตรงกันข้าโลกมันร้อนให้โลกมันเย็นก็มันโกรธ<ล>ให้คนหายโกรธคนมันทุกข์ให้คนไม่ทุกข์เตืนอนแปดสิบกมอทุกปีเดินบนหลังเขาลุ่มน้ำลำปาเทาทีนี้จะเดินอย่านอกต้องสองอาทิตย์นะ แตม่สีหน่ายอเอวังก็มีด้วยประการช่นนี้ปะพร้อมกัน